เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรุษตัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่26สเมษายนพุทธศักราชสอง4เป็นวันพระวันธรรมวัสวนะวันฟังธรรม เพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสุขและความเจริญมาให้เวลาใจของเรามีสิ่งที่เศร้าหมองต่างๆเช่นกิเลสตัณหา ความโลกความอยากต่างๆจิตใจของเราจะไม่สบายใจไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลเพราะพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดบัญญัติวันธรรมมะสวนาวันฝังธรรมวันรักษาศีลวันปฏิบัติธรรมให้แก่ พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาชำวะกายวาจาใจให้สะอาดด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเดินจงกงนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์และด้วยการฟังเทศฟังธรรม ซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำและผงซักฟอกที่เราใช้ในการชำระเสื้อผ้าหรือสิ่งสกปรกต่างๆถ้าใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกด้วยฉันใดการทำบุญให้ทานเพียงอย่างเดียว ยังไม่พอเพียงที่จะทำให้กายวาจาใจาสะอาดห่องใสมีความสุขและความเจริญก็ช่วยทำให้สะอาดได้บ้างในบางส่วนแต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้สะอาดได้หมดจดเหมือนกับเวลาที่มีผงซักพอกซักเสื้อผ้าด้วยน้ำเปล่าก็ สามารถทาความสะอาดได้ในระดับหนึ่งถ้ามีผงซักฟอกแล้วก็จะทำให้สามารถทำให้สะอาดได้อย่างเต็มที่การทำบุญให้ทานก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนการซักผ้าด้วยน้ำเปล่าถ้าเราต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดให้ต้องการให้จิตใจของเราสะอาด กายวาจาของเราสะอาดเราก็ต้องรักษาศีลกันแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ได้ฟังแล้วจะไม่รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองการจะปฏิบัติธรรมได้เป็นผลดี ก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรมกันเป็นระยะเป็นระยะวันพระนี้จึงเรียกว่าวันธรรมมัชวนันะคือวันฟังธรรมเพราะเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบาลีที่ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมมัชวนันังเอตัมมังกลมุตตะมังกา ร, าการฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะจะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่น 1. จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับ 3. จะขจัดความสงสัยไปได้ 4. ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาด 5. าทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ามีภารกิจมากแต่ถ้ามีภารกิจไม่มาก หรือมีจิตใจที่ใฝ่ธรรมก็ฟังได้ทุกวันเลยเพราะสมัยนี้เรามีสื่อคือเครื่องบันทึกเสียงต่างๆที่ได้บันทึกเสียงธรรมเทศนาเอาไว้เป็นจำนวนมากเราถ้าใฝ่ธรรมแล้วเราฟังทุกวันได้ก็ยิ่งดีใหญ่เช่นตื่นเช้าขึ้นมา ก่อนจะไปทาภารกิจต่างๆไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิจิตใจของเราและกายวาจาของเราก็จะได้รับการซักฟอกไปอย่างต่อเนื่องจะทำให้ใจของเราสะอาดกายวาจาใจของเราสะอาดรวดเร็วขึ้น เหมือนกับการซักเสื้อผ้าถ้าเราซักเสื้อผ้าทุกวันเสื้อผ้าก็จะขาวสะอาดแต่ถ้าเราใส่ไปถึงเจวันแวันแล้วค่อยมาซักสักครั้งหนึ่งขณะที่ใส่เสื้อผ้าก็ไม่สะอาดเราจึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันเพราะเราต้องการความสะอาดนั่นเองฉนันใดกายวาจาใจของเรา ถ้าได้รับการชำระทุกวันก็ยิ่งจะสะอาดกว่าการชำระทุกๆวันพระซึ่งก็คือหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ทุกวันเพราะศีลนี้ไม่ได้อยู่กับพระภิกษุผู้ให้ศีลเราเวลาที่เรามาขอศีลมารับศีลนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระภิกษุจะแบ่งศีลของท่านให้กับเราไปเพียงแต่ท่านสอนเราให้รู้ว่าศีลดีในอะไรบ้างเช่นศีลห้าที่เป็นศีลปกติที่พวกเราทุกคนควรจะรักษากันทุกวันให้เป็นนิจศีลคือให้เป็นนิสยัยส่วนวันพระนี้เรามารักษาศีลพิเศษ เรียกว่าศีลอุโบโสถหรือศีล8นั่นเองรือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วเราก็มาเพิ่มความเข้มข้นของการรักษากายวาจาของเราให้สะอาดยิ่งขึ้นเติมผงซักฟอกให้มากขึ้นศีลแ8นี้ก็มีศีลข้อที่สามที่ต้องเปลี่ยนจากการประพฤติผิดประเวณี ไปเป็นการไม่เสพไม่เสพกางคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของตนหรือไม่แต่ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระก็ถือศีลข้อกาเมยคือไม่มีไม่หาความสุขการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนอกจาก สามีหรือภรรยาของเราคู่ครองที่ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎประเพณีของสังคมเรียกว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีถ้าวันพระก็ถืออพรรมจาริยาเวรมณีคือไม่ร่วมหลับนอนกับใคร จะไม่หาความสุขทางการหลับนอนกับผู้อื่นเรียกว่าเป็นสินขั้นสูงเพราะผู้ที่รักษาสินข้อที่สานี่ได้จิตจะได้ผลในระดับพรหมถ้ารักษาสินข้อการเมได้ก็จะได้รับผลในระดับเทพสวรรค์นี่มีสองระดับ ระดับเทพกับระดับพรหมระดับพรหมนี้สูงกว่าระดับเทพความสุขของระดับพรหมนี้ละเอียดกว่ามีความสุขกว่ากับความสุขของระดับเทพความทุกข์ของพรหมนี้ก็มีน้อยกว่าของเทพยังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขที่สูงขึ้นไปกว่า ที่เรามีอยู่คือความสุขในระดับเทพถ้าเรารักษาศีล5้าได้เราอยากจะให้สูงขึ้นไปกว่านี้เราก็ต้องรักษาศีลข้อที่สคืออพรมมจริยาเวรมณีและรวมไปถึงศีลข้อที่6ที่7และข้อที่8ด้วยศีลข้อที่6ก็คือ จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารเพื่ออย่างชีพเหมือนกับการรับประทานยาคืออาหารจะเป็นรสชาติแบบไหนก็ได้ไม่จูจ้จี้จุกจิกกินตามมีตามเกิดแล้วก็รับประทานพอประมาณคือไม่มากจน เกินความต้องการของร่างกายคือไม่ต้องรับประทานมื้อเย็นก็ได้รับประทานมื้อกับวันให้เต็มที่ก็พอแล้วสำหรับการเยียวยาดูแลรักษาร่างกายที่หิวนี้มันไม่ได้หิวที่ร่างกายแต่หิวที่ใจใจหิวเพราะติดนิสัยเคย อยากรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลานั้นหรือในเวลานี้พอถึงเวลานั้นความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าบางวันสมมติว่าเรามีภารกิจเราทํางานอะไรจนลืมเรื่องการรับประทานไปวันนั้นเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะรับประทานอาหารหรือหิวเพราะความจริงร่างกายนี้ มีอาหารพอเพียงที่จะอยู่ไปได้อย่างสบายถึงแม้จะไม่ได้รับประทานอาหารสัก5วันหรือ1ิวันแต่สิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดอันนี้ต้องมีต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแต่อาหารนี้ถ้าเกิดมีความจาเป็นไม่สามารถรับประทานได้เช่นไปหลง ไปหลงทางในป่าหาทางออกไม่ได้อาอาหารรับประทานไม่ได้ร่างกายก็ยังไม่ตายจากการขาดอาหารสองสามวันหรือห้าวันสิบวันที่หิวกันนี้ส่วนใหญ่จึงหิวที่ใจใจที่มีความไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี้เอง กิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่สร้างความหิวให้แก่ใจส่วนร่างกายนี้เขาไม่ได้หิวที่ต้องรับประทานกันหลายมือเกินความจําเป็นก็เพราะว่าความต้องการของกิเลสตัณหานี่เองเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความหิวต่างๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันทําให้เราต้องทุกข์ กรามานใจเราเลยทำตามคำสั่งของมันซึ่งเป็นการส่งเสริมเป็นการเลี้ยงกิเลสตัณหาให้เจริญเติบโตแล้วก็สร้างความหิวความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้เรานี้แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลย พอจะต้องคอยไปทำตามคำสั่งของกิเลส ต, ตันหายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความสุขที่ได้มานั้นก็ได้มาเพียงนิดเดียวส่วนใหญ่จะได้ความทุกข์ตามมาก็คือความหิวนี่เองความได้อะไรมาได้ไม่นานก็หิวอยากได้ใหม่อีกแล้ว บ้านจึงเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นไม่มีข้าวของต่างๆเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่เราไม่รู้กันเรากลับหาความทุกข์เข้ามาใส่ที่บ้านของเราเพราะเวลามีสมบัติข้าวของมากๆากก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องวิตกต้องกังวลต้องจ้าง รอปพจ้างคนมาคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆจะไปไหนก็ไม่กล้าไปกลัวไปแล้วกลับมาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะหายไปหมดก็เลยกลายเป็นนักโทษของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตอนนั่นเองแทนที่จะมีความสุข จากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็เลยต้องกลับมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆในโลกนี้ มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์ที่พวกเราแสวงหากันมากอบโกยกันมามีเป็นจำนวนมากยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความกังวลมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นพวกเราจึงต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าก็ทรงมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองมากมายก่ายกองแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่สิ่งที่ได้มาก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป และกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องไปหาสิ่งใหม่มาเพิ่มขึ้นอีกเพราะใจเริ่มมีความทุกข์จากความหิวจากความอยากจากความต้องการแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่รู้จักควบคุมความอยากนี้มันจะทำให้เหล่านี้ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของมาเป็นจำนวนมากมาย คนบางคนนี้มีรถเป็นร้อยคันก็มีมีภรรยาเป็นร้อยคนก็มีมีสามีเป็นร้อยคนก็มีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้ทำให้มีความสุขมากกว่าการมีสามีหรือภรรยาเพียงหนึ่งคนเพราะเวลาร่วมหลับนอนกันมันก็หลับนอนด้วยกันได้แค่ทีละคนเท่านั้นมันไม่ได้หลับนอนกันทีละร้อยคน แล้วก็คนเราก็มีหน้าตารูปร่างเหมือนกันทั้งนั้นมีอาการ3 2เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปนอกจากรูปร่างหน้าตาแต่ถ้าเรามองส่วนที่เหมือนแล้วเราจะเห็นว่าเหมือนกันมากกว่าไม่เหมือนกัน ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถที่จะควบคุมติเลตตันหาความอยากต่างๆได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องใช้ศีลเป็นกรอบควบคุมไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดก็จะทําให้เราไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมอยากจะได้อะไรก็ให้หามาด้วยความสุจริต คือไม่ไม่ไปทำผิดศีลแล้ว ห, หรือไม่เช่นนั้นก็ในวันพระก็คุมมันไว้บ้างคุมกำเนิดมันไว้บ้างด้วยการถือศีลแปดการถือศีลแปดนี้เป็นการคุมกำเนิดกิเลสตัณหาคือตัวกา ม, มาตัณหาความอยากในรูปเสียงจิตนรโทษะวันพระนี้เรามาคุมกำเนิดมัน ด้วยการถือศีลข้อสคืออัพร ม, มัจจริยาศีลข้อ6ก็คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อ7ก็คือไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงร้องลำมทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งกายให้สวยงาม ด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันไม่ใช้น้ำอกน้ำหอมใช้เครื่องสมอางต่างๆเราจะคุมกำเนิดกามตัญหาตัวนี้เพราะถ้าเราไม่คุมมันแล้วเราจะกลายเป็นทาสของมันมันจะใช้ให้เราไปทำงานทำมาหากินเหนื่อยยากแทบเป็นแทบตายแล้วก็มาซื้อของต่างๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ กับจิตใจของเราแต่กับเป็นโทษเป็นทุกข์กับใจของเราเราจึงต้องมาควบคุมกำเนิดมันด้วยการถือศีลข้อที่7และศีลข้อที่8ก็คือเราจะไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะการนอนบนฟูกหนาๆ น, นี้จะทำให้นอนมากเกินไปร่างกาย ถ้านอนบนพื้นธรรมดาพื้นไม้ปูเสือ่อหรือปูผ้านี้พอนอนไปได้สักสีห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นมันจะพอแล้วเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงเท่านั้นแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, านี้มันจะนอนเกินสี่หรือหชั่วโมงขึ้นไปคือตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนอนร่างกายพอต้องการความต้องการของร่างกายพอแล้ว แต่ความต้องการของกิเลสยังไม่พอก็เลยขอนอนต่อตั้งนาฬิกาปลุกไว้ยังปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อไปนี่เรียกว่านอนตามกามตัญหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะในกรณีนี้ก็คือการสัมผัสที่นุ่มที่สบายก็นอนต่อไปเป็น เป็นการเสียเวลาเพราะชีวิตของเราทุกเวลานาทีนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะถ้าเราไม่มีชีวิตไม่มีเวลามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้ความสุขที่เงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถซื้อได้เราต้องมีเวลา มาทำกิจของพุทธศาสนิาชนถ้าเรานอนหลับเช่นวันนี้ถ้านอนมนฟูกงหนาะๆนะตอนนี้ยังอาจจะไม่ตื่นก็ได้เพราะมันหลับแล้วสบายก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีความสุขและความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปให้มีความทุกข์น้อยลงไป ทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นไม่มีผู้อื่นสามารถทําแทนเราได้พระพุทธเจ้าทําแทนเราไม่ได้พระอริยสงสาวกทาแทนเราไม่ได้คือรักษาศีลแทนเราไม่ได้ทําบุญให้ทานแทนเราไม่ได้นั่งสมาธิแทนเราไม่ได้ ปฏิบัติรธรมแทนเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแทนเราไม่ได้เราต้องทํากันเองเราเป็นที่พึ่งของเราเองโดยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นผู้ทําเป็นตัวอย่างเรายึดท่านมาเป็นสาระก็หมายถึงเป็นแบบเป็นฉบับการเป็นสาระนี้ไม่ได้หมายถึงว่า เอามาตะออาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่บ้านหรือเอาหนังสือธรรมะมาเก็บไว้ที่บ้านนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ที่บ้านอย่างนี้ไม่ได้เป็นสาร ะ, ะการมีพระพุทธอยู่ที่บ้านก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงระลึกถึงวิธีที่ท่านดำเนินมา ท่านอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรเช่นเดียวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเรามีรูปของพระสงฆ์มีรูปของกูบาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็เพื่อที่จะระลึกถึงวิถีชีวิตของท่านเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามนั่นเองท่านอยู่แบบมีศีลหรือไม่มีศีลท่านอยู่แบบ ใจกว้างหรืออยู่แบบใจแคบท่านปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านได้สิ่งที่ประเสริฐคือมรรคผลนิพพานเราได้มรรคผลนิพพานกันหรื อ, อยังเราต้องถามตัวเราเองอย่างนี้นี่คือความหมายของการมีพระพุทธรูปมีหรือมีรูปของกูบาจารย์เก็บไว้ในบ้าน ท่านไม่สามารถป้องกันภัยต่างๆภายนอกได้เช่นไฟไหม้ก็ป้องกันไม่ได้น้ำท่วมก็ป้องกันไม่ได้ขโมยขึ้นบ้านก็ป้องกันไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านป้องกันได้ก็คือภัยที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่จะมาทำลายจิตใจของเราเหยียบย่ำจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ความหิวความอยาก อันนี้ป้องกันได้เพราะถ้าเราลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ของเรานั่นเองทำหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ใส่บาทแล้วก็รักษาศีลห้าก่อนจะออกจากบ้านก็ฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสดุนน์นั่งสมาธิ แล้วค่อยไปทำงานทำการทำมาหากินถ้าเรามีธรรมะไปกับเราเราจะไม่ทำบาปเราจะไม่พูดกดเราจะไม่โกหกหลอกลวงเราจะไม่โกงเราจะทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุดจริงแล้วพอเรากลับบ้านมาเราก็มาชำระกายวาจาใจก่อโดยการ นั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วค่อยนอนหลับพักผ่อนนี่คือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถ้าปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าภัยต่างๆที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจนี้จะไม่สามารถเข้ามาได้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกับร่างกาย หรือกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะไม่เป็นปัญหากับใจจะไม่ทำให้ใจต้องทุกข์เดือดร้อนว่างุ้นขุนมัวเลยเพราะใจมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษาให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เป็นปกติไม่วุ่นวายใจไม่เสียใจไม่หวงไม่ห่ว ง, วงเพราะธรรมะจะสอนว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรานอกจากการทำใจรักษาใจกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เท่านั้นนี่แหละความสุขที่เกิดจากการรักษากายวาจาใจนี้จะเป็นสมบัติของเราจะไม่มีใครสามารถมาแย่งจากเราไปได้ จะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่เกิดจากความส ะ, สะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจก็ยังจะติดไปกับใจของเรานี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทั้งหลายได้มีไว้ครอบครองเป็นสมบัติแล้ว แล้วท่านก็นำเอามาผลยแร่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกมาประกาศพระศาสนาพวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาล สุกดี๋วเดียวแล้วเดียวก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ตามใหม่ๆก็จะมีความสุขเวลาได้คู่ครองได้สามีได้ภรรยามาใหม่ๆก็ดีอกดีใจหลังจากนั้นไม่นานก็มีความวิตกความกังวลต่างๆเพราะสามีหรือภรรยาของเรานั้นเริ่มเปลี่ยนไปนั่นเอง ไม่เหมือนเดิมหรือบางทีก็หายสาบสูญจากเราไปตายจากเราไปอย่างกระทนหันโดยที่เราไม่คาดฝันมาก่อนเพราะนี่เป็นกฎธรรมดาของโลกเรียกว่ากฎแห่งอนิจจรนั่นเองคือไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรที่คงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้ถึงรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรารู้แล้วว่าคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอเรารู้แล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจของเราก็จะรู้สึกเฉยฉยไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจไว้แล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมข้าวของมาใช้ข้าวของของผู้อื่นมาใช้เรารู้ว่าถึงเวลาเราก็ต้องเอาไปคืนเขา หรือเขาก็ต้องมารับคืนไปพอถึงเวลาเราก็ให้เขาไปไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจไม่มีความเศร้าโศกแต่อย่างไรเพราะเราไม่ไปคิดว่าเป็นของเราและไม่มีความอยากที่จะเก็บเอาไว้นั่นเองฉันใดของต่า ง, างสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้รวมไปถึงร่างกายของเรา และร่างกายของผู้อื่นก็เป็นเหมือนของอยืมมาใช้เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องเอาไปคืนเขาหรือเขา ก, ก็จะต้องมาเอาคืนไปพอเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของอยืมมาใช้เราก็เตียงตัวเตียมใจเอาไว้คืนเจ้าของเขาพอถึงเวลาแก่เราก็ให้มันแก่ไปถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันเจ็บไป ถึงเวลาตายก็ให้มันตายไปจะไปเดือดร้อนทำไมในเมื่อเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยเราไม่ใช่ร่างกายเราคือจิตใจจิตใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าจิตใจมีสติมีปัญญาก็จะสามารถรู้ความจริงอันนี้ได้แล้วก็จะปล่อยวางร่างกาย ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักเขาจะตายเขาจะแก่เขาจะเจ็บเราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเราไม่มีจิตใจที่ไปผูกพันไว้กับเขานั่นเองแต่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนที่เราชอบเรากบต้องไปทุกข์กับเขาด้วยก็เพราะว่าเราไป มีความผูกพันกับเขามีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นคือไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายนั่นเองพอเขาเป็นขึ้นมาเราก็วุ่นวายใจกันเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางผู้สอนให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนี่คือ สาระที่พึ่งอันประเสริฐก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่จะสอนให้เราปล่อยวางทุกอย่างให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเราไม่ต้องไปเดือดร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งสอนเราก็จะไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราไปหมด ร่างกายนี้เราก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็หลงไปคิดว่าเป็นของเราร่างกายของคนอื่นก็หลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นของเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เราตามจริงเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสีเป็นอาการสาสบสอง เป็นผมขนเล่นฟันหนังเนื้อเอนคาดูเท่านั้นที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปใไนที่สุดถ้าเราพิจารณาตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ต่อไปเราก็จะหายหลงเราจะเบา อ, อกเบาใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายของเราและของผู้อื่นจะ เบาอกเบาใจกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะคิดว่าในที่สุดมันก็ต้องกลับไปที่ศูนย์อยู่ดีมาตัวเปล่าๆแล้วเราก็ไปตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแล้วมาวุ่นวายใจกับมันทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ดูตอนต้นและเราไม่ดูตอนจบ เราดูตอนตอนกลางๆตอนขณะที่เรามีอยู่แล้วก็เกิดความอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่เราลืมไปว่ามันอยู่กับเราไปแค่วันสุดท้ายของชีวิตเราเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับอะไรท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้พิจารณาเองเป็นผู้ปฏิบัติเอง เพราะพระพุพพทธธรรมพระสงฆ์พิจารณาแทนเราไม่ได้ปฏิบัติแทนเราไม่ได้การพิจารณานี้ก็หมายถึงว่าต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่แทบ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจนกายเป็นเป็นนิสัยไปพอมองเห็นอะไรคิดถึงเรื่องอะไรก็จะคิดถึงว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เทียมเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดทันที ถ้าเราคิดอย่างนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับมันแล้วเพราะมันจะเป็นไปเป็นธรรมชาติไปเหมือนกับที่เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราเคยคิดอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติจนมันติดเป็นนิสัยไปมาเกิดกี่ภพกี่ชาติพอได้ร่างกายกี่ร่างก็จะคิดอย่างนี้ทันทีว่าเป็นตัวเราของเรา ทีนี้เราจะมาแก้ความคิดผิดนี้ให้เป็นความคิดที่ถูกเราก็ต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราคิดไปจนกระทั่งมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาแล้วมันจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆของร่างกายต่อไปถ้าถึงอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องคิดก็ได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเอง ถาตราบใดยังมีความคิดอยู่ว่ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ยังอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆยังอยากจะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็สแสดงว่าเรายังคิดผิดอยู่เราก็ต้องกลับมาคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนให้คิดอย่างนี้ไปแล้วสักวันหนึ่งใจของเราก็จะรู้ทันความหลงแล้วก็จะปล่อยวาง แล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงนี้ได้นี่คือการสร้างสาระที่พึ่งของใจเป็นการป้องกันภัยของใจที่แท้จริงสิ่งอื่นๆในโลกนี้ป้องกันภัยให้กับใจไม่ได้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ยังต้องมีความทุกข์ใจมีตาแหน่งสูงถึงประธานาธิบดีก็ยังต้องทุกข์ใจ แต่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดจากการปฏิบัติของเราอยู่ในใจแล้วจะไม่มีความทุกข์เอ่ยนี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรายึดถือเป็นสรณะกันขอให้เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นมาในใจเถิดตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายนอกขอให้เราน้อมให้เข้ามาอยู่ภายในใจด้วยการปฏิบัติ คือทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปในที่สุดการแสดงก็แห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระษีรัตนตรัย